เราฟังธรรมช่างกลางธรรมชาติช่างกลางความสงบสงัดเสียงที่ผูด่อกไปอาจจะทำลายความสงบสงัดของธรรมชาติ แต่มันจะมีประโยชน์ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาหรือว่าได้ฟังอย่างตั้งใจที่จริงธรรมชาติก็สอนทำให้กับพวกเราตลอดเวลาอาจจะดีกว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็ได้ พลวงพ่อเคยพูดว่าเราสามารถจะบรรลุทำได้ด้วยการพิจารณาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่ให้น้ำให้อากาศให้ปัจจัยสี่แต่พวกเรา เพราะนั้นแต่ยังให้ยังสามารถจะให้ธรรมะกับเราได้ด้วยตั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยอ้อมก็เช่นว่าทำให้จิตใจเราสงบเย็นหายรุ่มร้อนและความสงบที่เกิดขึ้นก็จะช่วยทำให้ เราสามารถเห็นความจริงไม่ใช่ความจริงที่ไหนความจริงของตัวเราของกายและใจเมื่อเราจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ใต้อยู่ในแม่น้ำลำธารก็แต่เมื่อ แม่น้ำลันทานหรือลำพูนนั้นใสใสเราก็จะเห็นว่าเอามีปูมีปลามีหินมีอะไรอยู่ในนั้นจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราสงบมันก็จะใสใสแล้วเราก็จะเห็นความจริงของใจรวมทั้งความจริงของกายด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นอ น, นิสง โดยอ้อมในสายพุทธการ จ, จนกระทั่งปัจจุบันก็มีประสงค์และนักปฏิบัติจำนวนมากนะที่ได้เข้ามาอยู่ในป่าเพื่อใส่สิ่งว่าล้อมอันสงบสงัดสาหรับการน้อนมนำใจให้เห็นธรรม อันนี้ที่ง่ายของผลโดยตรงเนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้พิจารณาความเป็นไปของธรรมชาติความเป็นแปลธรรมชาติก็รู้แล้ว แ, ลแต่นีไม่พ้นกฎธรรมชาติแล้วกฎธรรมชาติหนึ่งที่สำคัญก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือบางทีก็พูดง่ายว่าไม่คงที่ไม่คงตัวแล้วก็ไม่ใช่ตนในพิจารณาก็จะเข้าใจรู้จักตัวเองแจ่มแจ้งเพราะว่าเป็นเช่นเดียวกันกับ ธรรมชาติรอบตัวความจริงของกายและใจก็ไม่ไต่างจากความจริงที่เกิดกับธรรมชาติรอบตัวเราเห็นธรรมชาติก็สามารถจะเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนได้เหมือนกัน ก็มีหลายท่านนะบรรลุทำได้ก็จากการเห็นอาการของธรรมชาติด้วยความพิพจารณาเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ได้เห็นแบบนวิทยาศาสต ร, ร์ก็คือไม่ได้มุ่งทียทําวาเข้าใจสิ่งที่อยู่ตอนหน้าเท่านั้นแต่ว่าน้อมเข้ามาโยงเข้ามาสู่ตัวเอง มองนอกก็เห็นในอันนี้คือวิธีของนักภาวนาคำ ว, ว่าโอปัิโกเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็คือความหมายนี่ก็คือ น, นี่แหละเห็นอะไรก็ตามก็ไม่ได้เห็นแค่นั้นแต่ว่ามองโยงเข้ามาสู่ตัวเอง นมื่อเราเปิดใจรับสับฟังเสียงธรรมชาตนะิเราก็จะเห็นทำได้บางคนก็เห็นแบบทีลนิตเทเลนทเรนิต แ, แต่บางคนก็เห็นแบบแจ่มแจ้งฉับพลันใครที่ไปสวนโมกนะสมัยที่หลวงพ่อพุะตธท่ายังมีชีวิตอยู่นะ บ่ครั้งท่านก็เรียว่าแนะให้ไปดูให้เขาไปในป่าเพื่ออะไรนะเพื่อฟังเสียงต้นไม้พูดฟังเสียงก้อนหินสอนธรรมต้นไม้ก้อนหินก็สอนธรรมได้น่าจะสอนธรรมได้ดีกว่ามนุษย์ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแม้ว็จะไม่ต้องอาศัยการบรรยายอย่างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสะับเสียงธรรมชาติหรือฟังธรรมจากธรรมชาติได้ แต่เป็นงเพราะมนุษย์เราเนี่ยทาตัวเหนห่างจากธรรมชาติเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติในส่วนนี้ในส่วนที่เป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เห็นแต่คุณค่าในทางวัตถุคุณค่าแต่ในทางกายเช่นให้ออกซิเจน ธรรมชาติป่านี่ให้ออกซิเจนให้น้ําให้ปัจจัยสีหรือว่าเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะมีคุณค่าในทางอุตสาหกรรมคุณค่าในทางเศรษฐกิจเราก็มองกันแต่เพียงเท่านั้น แถ้าป่าไหนที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพียงพอก็สามารถจะทำลายเพื่อเอาสิ่งอื่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่ามาแทนชิ้นเคลื่อนโรนะงเอาสากรรมนะอันนี้เป็นเป็นผลมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยทำตัวเหินห่างจาก ธรรมชาติดางที่การที่เฮิร์นหนาจากธรรมชาติได้นั้นก็เป็นเพราะ <c oughs> เราไปตักตัวอย่างธรรมชาติมาอย่างเช่นเราสร้างบ้านแปลงเมืองได้ก็เพราะอาศัยไม้อาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือหนาข้อนั้นคือ เ, เอาระเบิหินระบิภูเขาเพื่อ จะได้มีหินมีปูนนะเอาไปสร้างเมืองให้ใหญ่โตมากขึ้น <c oughs> ผลก็คือขนาดที่เมืองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติป่าเขาก็หดหายไปเป็นลำดับอันนี้มันก็ดิ้งทำให้เราเหินห่างจากธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ย หลายคนไม่รู้นะว่าน้ำนี่มาจากไหนบางคนน้ำนี่มาจากก๊อกไอ้ที่จะคิดว่าน้ำนี่มาจากฟ้าหรือคิดไปไกลถึงว่าน้ำนี่มันมีที่มาจากป่าเขาเนี่ยเขามองไม่ออกนึกไม่ถึงเพราะว่าโตตั้งแต่เกิดจนโตมาอาจจะไม่เคยเห็นป่าไม่เคยเห็นเขาเลย ดเห็นก็เห็นอย่างไกลๆลางๆไม่รู้สึกว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสที่เข้าไปเป็นส่วนของของป่าเขาอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ <c oughs> แมากระทั่งอาหารนะหลายคนก็คิดว่า ก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ถามเด็กว่าอาหารนะมาจากไหนเด็กก็จะตอบว่ามาจากเซเว่นมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเด็กฝรั่งบางคนเขาตกใจนะเมื่อเขารู้ว่าไข่ที่เขากินทุกวันไข่ไก่เนี่ย มันมาจากก้นของไก่พอเขารู้นี่เขาตกใจซึ่ามันสะอิดสะเอียนเพราะว่าก้นไก่นี่มันสกปรกไงในความรู้สึงเขาเนี่ยแพนไก่ไข่แล้วก็สกปรกด้วยไม่กล้ากินแหละทีแรกเนี่ยเรคิดว่าไข่เนก็มาจากห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเ ป, ปอร์มาร์เกต็ตแต่พอรู้มันมาจากกล่นไก่นี่โอ้นึกไม่ถึง ต้องทำใจอยู่นานนะกว่าจะกินกลับมากินไข่ได้อีกครั้งหนึ่งยูเราเนี่ยไม่เพียแดเหินห่างธรรมชาติเช่นป่าเขาลำนาทานเท่านั้นนะในสุดก็เหินห่างจากธรรมชาติของตัวเองเหินห่างจากธรรมชาติของตัวเองรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองคนอย่างนี้เนี่ยแปลกแยกกับตัวเองมาก อาการหนึ่งความแปลกแยกตัวเองคือว่าไม่รู้จักตัวเองจพีงอยู่อาจจะรู้ว่าหน้าตาตัวเองเป็นอย่างไรเวลามองกระจกก็รู้ว่าไอ้ภาพที่เห็นเงาที่ปรากฏในกระจกน้าคือหน้าของตัวเองแต่ว่าก็เห็นเพียงเท่านั้นรู้จักเพียงเท่านั้นแต่เวลามีอารมณ์เกิดขึ้น ทั้งที่อารมณ์ในครอบงามจิตทําให้ทุกข์ทำให้รุ่มร้อนทําให้เบื่อหน่ายทําให้หงอยเหงาทําให้รู้สึกอ้างว้างเคว้งคว้างแต่กลับบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ตัวยังรู้สึกอย่างไรนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะนะไม่สามารถจะบอกตัวตัวยังรู้สึกอย่างไร โดยเฉาะในประเทศที่มีการพัฒนามากทางวัตถุอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยคนอเมริกาจานวนมากนี่เขาบอกไม่ได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ <c oughs> อันนี้เพราะว่าชีวิตเนี่ยส่งเรียกว่าจดจ่อยอยู่กับสิ่งนอกตัวตลอดเวลาอาจจะรู้เรื่องโทรศัพท์ดี นะรู้เรื่องเทคโนโลยีมากรู้เรื่องรถรู้เรื่องบ้านรู้เรื่องไปถึงจั ก, กรวาลหรือแม้กระทั่งรู้จักใครต่อใครมากมายแต่ว่ากลับไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมีอารมณ์อะไรเวลาถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ตอบเป็นความคิด ถามว่าชื่อตัวอย่างเช่นถามว่าเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยทั้งวันนี้รู้สึกอย่างไงไปตอบว่ารู้สึกว่าทางมันไกลมากให้รู้สึกว่าทางมันไกลมา ก, ม, ก, าา ม, ก, ม, ากมันไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นความคิดมันเป็นความคิดวคิดว่าทางมันไกลมากหรือเป็นการรับรู้นะแต่ไม่ใช่ความรู้สึกรู้สึกที่ว่าเนี่ยหมายถึง emotion นะ แต่ยิ่งถ้าเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยยิ่งไม่รับรู้เลยนะไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วจะรู้จากความรู้สึกตัวได้อย่างไรเพราะถ้าเขาสึกตัวเนี่ยมันจะจะรู้นะรู้ทันไอความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาในใจ อาจจะรู้ลักษณะอาการของความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในใจเรียกว่าเป็นผู้ดูผู้เห็นนะและธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยเมื่อมันถูกดูถูกเห็นนะมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเพราะว่าไอ้ตอนที่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่รู้สึกตัวหรือหลง อารมณ์มันเกิดขึ้นนะเพราะหลงและมันอยู่ได้นานก็เพราะหลงนะตอนที่มันเกิดขึ้นเพราะความหลงนะเพราะความที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดไปถึงอดีตนัางคิดไปถึงอนาคตบ้างไปขุดคุยเรื่องเก่าๆหรือไปสร้างภาพอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้มันเลวร้ายก็ทําให้เกิดความพิจตกกังวลทําให้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจ ถ้าเสียใจกับพราถึงอดีถ้ากังวลก็เพราะถึงนอนาคตอีเป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะหลงไงไม่รู้ตัวจต่พรู้ตัวกลับมารู้ตัวนี่มันก็หายไปเหมือนกับความมืดที่โดนแสงสว่างก็ละลายหายไปแต่ที่มันยังอยู่ได้นานก็เพราะความหลงอีกนั่นแหละคราวนี้ไม่ได้ไม่ใช่เปิดคิดน่นคิดนี่นะแต่จมก็ไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้น คิดเรื่องอดีตแล้วก็เสียใจคิดเรื่องอ น, นาคตแล้วก็กลุ่มใจเลยแแทนที่จะรู้ตัวก็จมหายไปในอารม์นั้นอารมณ์เสียใจอารมณ์วิตกกังวลก็ถูกขังอยู่ในในอารม์นั้นยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ไ้ทั้งที่ทุกข์แล้วนะ เวลาถามว่าทุกเพาะ อ, อะไรคนก็จะตอบไปที่สิ่งนอกตัวทันทีเป็นพ่อเขาพูดเพดีกับฉันเป็นพร่ อ, อเจ้านายไม่เป็นธรรมเป็นพ่อแฟนไม่เอาใจเป็นเพราะเขากันแกล้งฉันเป็นเพราะดินฟ้าอากาศเป็นเพราะนักการเมืองเป็นเพราะคนไทยไม่รักกัน ทุกคนเนี่ยไม่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชี่อไปที่ข้างนอกว่าเป็นตัวการทำให้ฉันทุกข์นะแต่ว่าไม่ได้ฉเฉลียวใจเลยว่าไอ้ที่ทุกข์ที่ตัวเองทุกข์จริงๆเนี่ยเป็นเพราะตนเป็นเพราะความไม่รู้สึกตัวเป็นเพราะการไม่มีสติเป็นเพราะความหลง ไม่มีใครหรืออะไรทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้าใจเราไม่ยินยอมไม่เปิดทางหรือไม่สวมร่รวมคิดใครจะด่าเราอย่างไรถ้าเราไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือว่าสักแต่ว่าได้ยินเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เราจะทุกข์ใจได้อย่างไรแต่คือเพราะเราเอาคำของเขานะเก็บมาคิดบางทีไม่ใช่แค่เก็บมาคิดแต่ว่าเอามาซ้ําเติมจิตใจเอามาทิ่มแทงตัวเองก็เลยเสียใจก็เลยโกรธน้อยเนื้อต่ําใจเสียงมันจะดังแค่ไหนถ้าเราไม่ใส่ใจ มันเสียงนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่เพราะเราไปจดจอ่อใส่ใจพอเสียงมันทั้งที่เสียงมันจะไม่ได้ดังอะไรเลยนะแต่พอไปจดจอ่อใส่ใจเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นรบ ก, กวนสมาธิของเราในจิงใจนี่เกิด อ, อาการผลักไสไม่ชอบนะก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็ไปใหญ่ ป่อคลั่งความทุกข์เกิดจากการที่เราไปเราไปถักใสสิ่งที่ปรากฏกับเราไาจะเป็นแดดไม่่าจะเป็นลมยิ่งไปถักใส่มันใจก็ยิ่งทุกข์เวลาแดดกระทบกายเนี่ยมันก็ร้อนแต่กายนะแต่มันไม่สามารถทําให้ทุกข์ใจได้เป็นเพราะใจเราไปถักใสไม่ชอบบนติโพยตีพาย ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจในขณะเดียวกันก็เวลาเกิดความร้อนที่กายเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ไปก็ไปเอาความทุกขของกายมาเป็นความทุกขของใจไม่ใช่รู้สึกว่ากายมันร้อนแต่รู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยฉันร้อนกูร้อน อันนี้ก็เรียกว่าเกิดจากความความหลงแบบหนึ่งก็เลยผสมรงเข้าไปใหญ่ทั้งผลักใสแดดที่กระทบกายผลักใสความปวดความเมื่อยความร้อนอที่กายแล้วก็ไปจับไปช่วยเอาเวทนามาเป็นเราเป็นของเรามันก็ยิ่งทุกข์ ทุกใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากไหนมันเกิดจากใจหรือนะพูดให้ชัดก็คือเกิดจากเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่มีสตนะิเกิดจากการไม่รู้สึกตัวเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งไปในทางร้ายเป็นทําให้เกิดความชังการปฏิเสธฉะนั้นะถ้าเรา กลัมาตามดูรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าไอส้สาเหตุความทุกข์ใจเนี่ยไม่มีที่ไหนไม่ได้มาจากไหนเลยไม่ได้มาจากใครเลยไม่ได้มาจากอะไรแต่มาจากใจของเราหรือถ้าพูดแบบง่ายๆคือมาจากตัวเราอันนี้พูดแบบง่ายๆนะแต่ถ้าพูดให้ละเอียดก็มัมาจากใจมาจากความหลง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันอย่างมากก็อย่างเลวร้ายที่สุดคือแค่มาชวนให้เราขัดใจมาชวนให้เราขุนใจมาชวนให้เราเสียใจใช่เขามาชวนนะคือมันยังไม่ทำให้เราเสียใจได้ความเสียใจยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่รับคำชวนไม่รับคาเชิญ น, นั้นหรือว่าไม่ไปร่วมมือไปไม่ไปเอเอหอบบกด้วย มื่ถ้าเราเหินห่างจากตัวเองนะเราจะไม่มีทางเห็นความจริงอันนี้ถ้าเราแปลกแยกกับตัวเองพยายามหนีตัวเองตลอดเวลาเราจะไม่เห็นความจริงตรงนี้ว่าทุกเกิดจากอะไรและถ้าไม่รู้ว่าทุกเกิดจา ก, จากอะไรแล้วเนี่ยจะพบได้อย่างไรว่าสุขเกิดจากอะไรทุกเกิดที่ใจ สุก็เกิดที่ใจเช่นเดียวกันและทุกเนี่ยมันเป็นเพราะใจนะสุขก็เป็นเพราะใจเหมือนกันอย่างเราก็อาจจะสังเกตได้ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้วเราไม่สะดวกการลำบากกายได้ซ้ำ น, นะแต่ว่ามีความสุขใจอาจจะมีความสุขใจทั้งที่แดดร้อนที่ทางยากทางลำบากแต่มีความสุขใจ หรือว่านอนการดินกินกระสายไม่สะดวกเลยเหมือนที่บ้านแต่มีความสุขใจมากกว่าวความสุขไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกมาเท่ากับมากเท่ากับการวางใจของเรานั้นการมนุษย์เราเนี่ยพอเราเหินห่างจากตัวเองแล้วนะ มันก็เหินหากจากธรรมชาติได้ง่ายก็ขนาดตัวเนี่ก็ยังไม่รู้จักกละแถมไม่รักด้วยก็าจะไปรักไปรู้จักธรรมชาติได้อย่างไรมองให้ดีนะเราไม่ค่อยได้รู้จักเราไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่นะเราชอบซ้าเติมตัวเองเวลา เวลาปวดปวดกายเนี่ยแทนที่จะพยายามที่จะรักษาระงับความปวดไม่ให้มันลุกลามก็กลับปล่อยให้ใจเนี่ยพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยป่วยกายเมื่อยกายเจ็บกายไม่พอก็ไปปรุงแต่งทำให้เจ็บใจทุกข์ใจ ขอบางอย่างเนี่ยแทนที่แทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปเช่นคาพูดของคนบางคนก็นเก็บเอามาคิดแล้วก็มาทิ้มแทงตัวเองเวลาโกรธแทนที่จะหาทางระงับความโกรธกลับพยายามประคองรักษาความโกรธเอาไว้คิดถึงคนที่เราคิดถึงคนที่เราโกรธคิดถึงคนที่เราเกลียด ใครจะแนะนำให้อว่าให้อภยัยก็ไปเถอะนะก็ไม่ยอมกลับไปตำหนิไปว่าคนไปว่าเพื่อนที่แนะนำเช่นนั้นหาว่าไปเข้าข้างเขาทั้งที่เขาหวังดีกับเราแต่เราต่างหากที่ไม่ปรารถนาดีกับตัวเองก็เลยทำร้ายตัวเองด้วยการเก็บรักษาความกลัวความเพียบบาทเอาไว้ ทั้งที่มันเหมือนกับไฟที่เผาลนใจอย่างนี้จะเรียกว่าเรารักตัวเองได้อย่างไรอาการรักตัวเองอาการไม่รักตัวเองอีกอยงก็คือการที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้อยู่กับตัวเองคนเดียวเมื่อไหร่นจะเป็นทุกข์จะกระสับกระส่ายทุรนทุรายจะต้องหาทางออกไปออกไปหาผู้คน ไปเที่ยวห้างไปชอปปิ้งนะหรือว่าถ้าต้องอยู่บ้านก็ต้องก็โทรศัพท์ไปหาคนนว้นคนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีโซเชียล ม, มีเดียอินเทอร์เน็ตนะก็เอาเวลาหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้าดูจริงๆเนี่ยมันเป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่งนะ ก่นหน้านี้ก็อาจจะหนีตัวเองด้วยการไปดูโทรทัศน์ฟังเพลงทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งใหม่ใหม่ที่ทำให้เราหนีตัวเองได้ง่ายขึ้นบางคนเอาแต่ถ่ายรูปเซลฟี่อัพโหลดรูปตัวเองขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยวันลาเป็น1ิบวันละเป็น 10, เป็นร้อยก็มีนะอันนี้ดูเหมือนว่าหลงตัวเองมากแต่ถ้าดูลึกๆเนี่ยมันเป็นการหนีตัวเองแบบหนึง่งเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าให้มาอยู่กับตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ต้องหาทางหนีต้องหาทางออกไปถ้าโทรศัพท์หายนี่ก็ ก, ก็เหมือนก็น จะขาดใจตายให้ได้เพราะว่าไม่มีโทรศัพท์มันก็เท่ากับว่าบีบบังคับให้ต้องอยู่กับตัวเองไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยนี่ยิ่งทรมานข้าไปใหญ่ในเมื่อทนอยู่กับตัวไม่ได้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรให้เรยต้องเริ่มถ้าเราอยากจะรักตัวเองจริงๆเนี่ยเก็ต้องเริ่มต้นจากการพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ พยายาอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าอยู่กับผู้ไม่ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็พร้อมที่จะอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ทุกข์ดังนถ้าเราถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เราจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่สามารถรักตัวเองได้จริงเราจะรักคนอื่นได้อย่างไร ไม่ต้องพูดถึงธรรมชาตินะการพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยนะมันเป็นหนทางของการรักตัวเองแท้จริงเพราะเมื่ออยู่กับตัวเองได้เนี่ยในสุดก็จะมีสันติกับตัวเองเมื่อมีสันติกับตัวเองนะพบความสงบในใจก็จะ ถนอมรักษาความสงบในใจนั่นเอาไว้ซึ่งก็ทาให้จิตใจมีความสุขทำให้ชีวิตมีความเจริญเจริญไม่ได้เจริญด้วยัตถุนะแต่ว่าเจริญในทางใ น, ในความหมายทางธรรมอันนี้คือเป็นการรักตัวเองแท้จริงแล้วก็สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ไม่มีความรู้สึกเหนา คนเงาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้เคยรู้สึกหรือว่าเรามีตนเป็นเพื่อนถ้าเรารู้ว่าเรามีตนเป็นเพื่อนนะมันจะไม่รู้จักคําว่างเงาหรือถึงแม้มีคําว่าแม้มีความเหงาเกิดขึ้นก็ไม่เป็นทุกข์อะไรสามารถอยู่ออกับความเหงาได้ สามารถที่จะยอมรับความเหงาได้หรือว่าสามารถที่จะอ้าแขนรับความเหงาได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสและเพราะไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสเนี่ยความเหงาความเบื่อก็เลยทําอะไรจิตใจเราไม่ได้อารมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อต่อใจเราก็ต่อเมื่อเราปฏิเสธเราผลักไสมัน ก็เท่ากับว่าให้อํานาจกับมันมันไม่จะใช่อารมณ์เท่านั้นคนด้วยนะถ้าเราเกลียดใครเราโกรธใครเนี่ย <c oughs> ก็คือเรากําลังให้อํานาจกับเขาในการมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราไม่ใช่อิทธิพลในทางดีนะอิทธิพลในทางร้ายคือเป็นการม้อํานาจในการยัดเยีความทุกข์ให้กับเราเราโกรธใครเราเกลียดใครนั่นคือเรากำลังม้อํานาจในการยัดเยีความทุกข์ให้กับเรา ถ้าเราไม่อยากจะให้เขามีอำนาจกับเราอย่างนั้นก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่างมากก็ว่าอย่างน้อยๆก็วางใจเป็นกลางกับเขาถ้าเราเป็นถ้าระวังกลางต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในคนสัตว์สิ่งของหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจไอ้สิ่งนั้นจะไม่มีทิพผลในการสร้างความเกิดกันเราจะเป็นความเงา ความโกรธนะความเบื่อความเกลียดความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราแค่ดูมันเฉยๆเราไม่ตามมันแล้วเราก็ไม่ต้านมันไม่ผักสายมันไม่กดข่มมันไม่นานมันก็พอเราไม่ทํำมันมันก็หมดพิษสงไปล้วไม่นานก็หายไปอันนี้แหละเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะช่วยเราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสงบสันติ แล้วเราก็จะรักตัวเองแต่ถ้าว่าเราทำยิ่งกว่านนั้นนะก็คือมันพิจารณาดูกายดูใจตัว อ, อยู่เสมอนะไ ม, ไม่เพียงเราจะไม่เพียงเราจะไม่เพียงเราจะ งั้นเท่านี้แล้วกันนะมันบอกว่าควรจะหยุดได้แล้วอารักเราก็กราบ พ, พร้องกัน